แต่มันเราเป็นหัวงมันมันมีหน้าที่เกิดก็เกิดขึ้นไปมีหน้าที่แฝดดับมันก็แปดดับไปอย่างที่คุณ่าชียตาหูสมูกเลี้ยงกายใจของเราตาหูสมูเลี้ยงายใจคือบันไดว่ามันพวกเขาได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นตาข้าพเจ้าเป็นหูข้าพเจ้าเป็นสมูกข้าพเจ้ากป็นริ้นข้าพเจ้าเป็นกายข้าพเจ้าจะอยู่ใต้อํานาจของใจเขาก็ไม่ว่าแก่เวลาแก่เกลียดตายเราไปกตามเรื่องเขาบอกแต่มัน มันไม่เลือกขืนใจว่า้ใจเป็นผู้หวงเราเราไม่ต้องเกิดเราไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายเขาก็ไม่ว่าเขาก็ร่วงไฟร่วงไฟตามน่ะของเขาอืมมันจะตามธรรมชาติเขามาทีนี้จะเกิดซึ่งแฝดดับเสียงก็เกิดซึ่งแปดดับไปตามธรรมดาไม่ได้อยู่ในในอำนาจของผู้ปรารถนาถ้ามาให้แก่ก็แก่ถ้าให้เก็บก็เก็บถ้าให้ตายก็ตายถ้ามาให้วิโยคพระาตจากไปมัก็จากไปเช่นคําพูดในเรื่องวัตรยาละบา โค่นซึ่งควาวงไปโค่นซึ่งควาวงไปโค่นซึ่งความร่วงไไม่อยู่ในนี้อำนาจวัฒนาของท่านคนใดทังขานคนใดทั้งขานใดเกิดขึ้นในอดีตทั้งขานก็อจับในอดีตทั้งขารใดเกิดขึ้นในอนาคตทั้งขานนั้นก่อจับไปในอนาคตทั้งขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งขานนั้นก็ดับไปในปัจจุบันไม่ได้อะไรกรับผู่เป็นห่วงเป็นห่วงห่วงหัวห่วงไม่ไม่ได้อะไรครับไปเป็นจริงไปตามสภาว่าทำทางนั้นที่เราห่วงอยู่นี้ก็คือห่วงสมมติ เดา묻ม่ไอยู่ในอำนาจราสำนัของใครไม่묻ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจราสำนัของใครถ้าเราพริจารณาไปมันก็จะเกิดจางไปถ้าเราห่วงดินดินก็มีอยู่เราหัวงน้ำน้ำก็มีอยู่แล้วห่วงไฟไฟก็มีอยู่ไฟแต่ว่าไฟดินแบบเป็นไดินน้ำแต่เป็นปน้ำลมจากพระสลมไม่ว่าจะอยู่ในอำนาจวาสำนัของใครทั้งนั้นแต่ความโองอกความหลงของเราเราก็หมางห่วงมันแต่มันก็ไม่รู้ว่าเราห่วงมันอีกแค่ด้วยเนี่ย มันว่าเราอยู่ที่ไหนอาจจะแค่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าผูจชมวิ่งไกไกลม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฮะไม่ไม่ใช่ของเร า, แ ต, รเร า, เราแต่เราฝืนปั้นหน้าให้เป็นตัวถ้าอยู่สมประสงค์เราก็จิตใจถ้ามาอยู่สมประสงเราก็ที่ลุ น, ลนมันก็เป็นความเข้าใจผิดของจิตใจต่างหากนอกจากใจก็มีอันในจะี่เข้าใจนอกจากใจก็มีอันในจิตวิญญาณ นอกจากใจก็ไม่ไม่มีอะไรจะเปล่งน้อมใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไนจะวางใจได้ได้เท่านั้นจะวางใจได้อา้าท่านก็บอกว่าเออแล้วพวกหือเล่นชั้นภารนามันไม่ข้ามจิตจิตมันไม่วางเออจิดไหมว่าถ้าสัมผัสว่าจิตเป็นจนชนจิตจิตก็ไม่วางถ้ามาสัมผัสจิตก็เป็นจนชนจิต จิตก็มีหน้าะชื่อมันเองอันตื่นก็เหมือนันเข้าใจไหมครับเข้าใจนะใช่หมถามกันจังเหมนกันเนี้ยถาเกาดึกเองเหมือนกันยะนาวถามแบบกันจนจนจิตถ้ามันที่ันจิเป็นจนจนมีจิตต้อมีสิ่งที่จะหม คนตายไม่แม่หัวอะไรพระวิญญาณไม่อยู่ในทีนนั้นถามตัวากลางๆเลยมาเติมตาหูฉงดิ้นกายหลังใจเป็นมรดกเลนแล้วมาเติมตาหูฉงดิ้นกายใจนะกายะกายหลังใจไม่รู้เท่าใจใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจ ตอนไหนใจเป็นรู้เข้าใจใจตอนนั่นใจก็ไม่เป็นทุกข์นอกจากใจไม่มีอันไดจะเป็นทุกข์นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะวางเื่อใจถ้าได้เป็นทุกข์หกนมดขึ้นสมพลของแด ง, แงามากปพดแดงมากใช่ไหมเกินไามลองทํางานเนี้เกิดขึ้น งานของใจจะไปจบกันที่ไหนจะไปจบกันที่พราหมณ์โลกปดหลวงข้าใจเป็นผู้คงแต่งขึ้นดีใจหลวงใจเป็นผู้คงแต่งขึ้นเสียใจเข้าใจเป็นผู้คงแต่งขึ้นเรื่องอื่นแม่ในย่างมาคงแต่งรูเข้าใจตอนไหนก็รู้เราทําตอนนั้น้าไม่รู้ทําใจตอนไหนก็ไม่รู้เรางทำตอนนั้น จะทำดีทาชั่วก็คือใจผู้จะไม่ทําดีทาชั่วก็คือใจแต่ของกระหังไม่ได้ทําดีทาชั่วขึ้นพอดีก็สร้างพอแล้วพอชั่วก็หวดพ้นไปแล้วก็เลยไม่ทําดีทาชั่วเกินแต่พวกเราไม่ทําดีก็ทำกั่ชั่วก็ทําคู่กันไปทวนเวียนอยู่กับดีกับชั่ว ก็เราเขาตายตายขางงานนึกคิดเพราะนึกคิดยังไม่สำเร็จประานนึกคิดสำเร็จแล้วเบื่อแล้วพราะเราตายขานึกคิดประานเบื่อแล้วไหนึกคิดนึกคิดอะไรก็ไม่มาเยืนดายเหมือนนกบินในอากาศ ไม่มีรอยนึกคิดแก้วก็ไม่มีรอยนึกคิดวันยังค่ําก็ไม่มีรอยพรับนมเหมือนนอกบินในอากาศเหมือนมีเชื้อน้ำท่านไม่ติดอยู่ในนักคิดแต่สิ่งที่ชั่วท่านก็ไม่เอามานึกคิดนึกคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เดือดร้อนกัดเิตท่านก็ไม่เอามานึกคิด รู้จิตตามมันจริงของจิตรู้นักคิดตามมันจริงของนักคิดไม่ติดอยู่ในงานทั้งสองด้วยเพราะเรานึกอะไรก็กรรมเอากรรมเอากรรมมาก็มีแต่ดจะรุ่มไม่ได้อะไร <laughs> นี่คําชัญนสูงคําชั้นต่ำก็ให้นึกไปทางกุศลผลบุญ ใหสร้างความสัมพนธ์นบุญให้สร้างความดีจิงไหนจะเป็นกาบาวิตกท่านไว้นิดคิดสักถ้าไม่ส่งเสริมท่านข้ามไปแล้วพยาบาวิตกพยาบาทวิตกท่านก็ไปเอามานึกคิดให้เดือดร้อนวิหิงซาวิตกท่านก็ไม่เอามานึกคิดให้เวียดเบียนตนแล้ ว, ว็นเบียนท่านกน อ, อื่นเบื้องต้นของท่านแต่เมื่อท่านทําพอแล้วท่านก็อยู่สบายสบายสบาย าว่าดินก็ว่าประจำเขาเขาว่าน้ำเขาว่าปตามเขาเราว่าไฟลมเขาว่าปามจเขาแต่ไม่ติดอยู่ในที่ว่าและไม่ว่าเรามันติดอยู่หัดนี่พวกมนเหยียบแขนเหยียบขาไม่รู้จะ ก, กูดีคันแม่ว่าแต่ความบาปบาปตกอยู่กับเขา ท่านก็ไม่โกรธเขาท่านก็ไม่ผูกเวรเขาแค่พวกเราจองเวรมึงไม่รู้อยากกูเสียตกควายูเขาขกำลังในใครมาก็บอกว่าปูเขา ใครมาก็บอกว่าภูเขาไม่รู้ว่าภูของใครเราก็เหมือ น, นเราคนนั้นก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเราแท้โหมเมื่อไหร่ก็ภูเมื่อไก็กูไม่ใครว่าไม่รู้ว่าใครกั็นภูแท้บ้าล้มสมมติพวกเราถูกไหมกระดาษไบนี้มัเนเลืมยุ่นล่วงพัดไป เขาบอเอาไปหมด เ, เหลือเนอะมัน ม, ม, มันเหลือเทอมันเหลือเขาจะเอาไปอืมเอามาทำโดนหัวเนีย่ยครับสมมุติกันจริงดินดินดินดินครับครับดินก็ไม่ได้ว่าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นดินแท้น้ำน้ำน้ำน้ ำ, นำก็เหมือนกันไม่รู้ว่าใครเป็นน้ำเธอทั้งหลายใต้จิตใจไม่เหมือนดินน้ําไฟลมเธอทั้งหลายไม่พ้นจากกิเลสพระบรมศาสดา ดินก็มัอกันน้ำก็มัอกันไฟก็ม้อนกันลมก็มัอนกันใครไปขี้ใสเขาเข้ามาจองเวรแต่พวกเราไม่ได้จุดเมือไรม่รู้สะกูลหรือา เกียรติทุกใช่ไหมรักถูกเกียรติทุกใ ช, so ช่ไหมจะชอบไหมโลกชาวโลกข่าแม่ข่าสัต ถ้าไม่รักของเขาถ้ามีศีลอยู่ไม่ค่าสัตมีศีลอยู่ไม่รักของเขามีศีลอยู่ไม่ล่วงละเมิดกามารมณ์ของท่านผู้ใดไม่พูดมุสาต่อท่านผู้ใดไม่ดื่มสุราเลยมีศีลห้าข้อนี่จำกัดอยู่ ทุกผลทุกแข่งทอใจรถกระทัดสงครามก็ไม่มีสาตราอาวุธก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนก็ไม่สะดวกผวาพระไม่มีเรียนอยู่รอบข้างทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีกุญแจก็ไม่ต้องมีเวียนยามก็ไม่ต้องมีเอ้าต่อต่อตู อ, อเมริกาก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกรัสเซียก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกออสตเตรเลียก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกไทยก็ไม่ได้เป็นจีนก็ไม่ได้เป็นใครก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกมีแต่ทุกข์กับตายใช่ไหมเอาดูข่าฟันกันเพื่อจะให้แพ้ให้ชนะกันมันก็ไม่แพ้มันก็ไม่ชนะมันกกูกทีมึงทีอยู่อย่างนี้ผล ส, สุดก็มีแต่ทุกข์กับตายใช่ไหม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 เป็นธาตุดินธาตุน้ำกับมันก็แตกลงไปเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวัตถุนิยมที่ทำหรู้หราขึ้นก็มาทำออกมาจากธาตุดินแตกลงไปก็ไปแตกเป็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมใช่ไหมเอาสัตว์ในโลกท่องเที่ยวไปตามตาท่องเที่ยวไปตามหูท่องเที่ยวไปตามจมูกท่องเที่ยวไปตามลิ้นท่องเที่ยวไปตามกายท่องเที่ยวไปตามความนึกคิดธรรมารมของใจใช่ไหมเอารักชีวิตของตนหมด เช่นนกอย่างนี้หรือกบอย่างนี้เวลาเราไปมันไม่ไว้ใจเรามันก็กระโดดลงหน้ำใช่ทีนี้มันก็กระโดดลงน้าคนเรารักชีวิตของตนสัตว์ตั้งหลายก็รักชีวิตของตนเหตุนั้นปานาธิบาจึงเป็นขีนข้ตนอต้นอธินาชาถ้ารองละเมิดมากก็ฆ่ามันซักกับไปลวงข้อตน้นถ่ามัน ร่วงละเมิดกรรมมาลของท่านผู้อื่นมากฆ่ามันซะก็ไปรวมข้อต้นมุสาพูดปดมากเอาไปรวมข้อต้นนีกฆ่ามันซะสุรามันเมามากฆ่ามันซะไปรวมข้อต้นศีขบศีขอต้นเป็นศีขบทสําคัญกว่าเพื่อนใช่ไหมาการทําลายชีวิตกันจึงไม่ควรทํา แต่ไม่ศาสนาแต่ละอย่างเลยอย่างดีหมดแต่อันไหนดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับผู้จะพิจารณาเอาเยอะๆนะชีวิตของเราอย่างไรก็รักชีวิตของท่านผู้อื่นอย่างนั้นรักของเขาของเราอย่างไรก็เคารพของผู้อื่นอย่างนั้นภรรยาของเราอย่างไร ก็ต้องเคารพภรรยาของผู้อื่นอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ต้องการพูดเท็จเราไม่ต้องการให้คนอื่นพูดเท็จเราก็ไม่ต้องพูดเท็จกับท่านผู้อื่นใช่ไหมเราไม่ชอบคนขี้เมาคนอื่นเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมเขาทำาะไรทำไหมเราว่าทำาให้คนบ้ากินใช่ไหมคนไม่บ้าเข้าไปกินใช่ไหมถ้าลกทั้งหลายเคารพสิ่งเหล่านี้แล้วกฎหมายก็ไม่ต้องทังมากใช่ไหม ที่นให้พอเลยก็เอาแล้วนะลาปาริพเรนิซาสังเอวเมวะยโตเทนังเปตานังอปะกะติยจิตังปะจิตังตุมังเกปเมวะเสมิตสตุสภูเรทตูสังขปาจันโดปนัสโซยะทามณีโยเทนัสโยยะทาสพีโยยะวัชโนสัพโรภูนัสตุมหังเทโวัตวนตารุยสุขีตีกาโยโภอภิวาชนะสีติจานิจังวิชาประชาโยชาตารสมาวันติ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 เราก็อธิษฐานแบบขออยากได้มีจนในมาลมาแล้วได้มีจนในมาลมาเลยอ๋อก็นี้อยางนั้นอธิษฐานเลยหลงอยู่ตรงพื้านเสาของตัวพระาพเดาะเป็นที่เพิงเจริญเจริญเจริญเจริญเจิญผู้สร้างสมเราเสาของูควพราพสนจากทุวรงมาตราสม้ารอยู่สมเอราวัณพระญาพข่งพระเถรนีนั่นก็ขได้รเทเรื่องพระวนาพุโก้ไปแล พอน้องน้เอไงล่ะวอะไระเป็นี่วนนเปค่ั่นเป็นนี่มีช่อเสยเารงานมีคนนี้ท่เป็นคที่เป็นคนที่ปี่เป็นคนทีป็นคนที่เป็นคเ็นนีนคนับ่เี่น่เป็ี่เป็นน็นคนที่นคคนทีนคนทีเป็นคนที่นคนที่นเป็นคนทคนที่เป็ทเนนทนคนที่เทนนเป็นทททนนน่น เห็นเพียงจีนชงเพีงตาเห็นเพีงตาชงเพีงฝ่าให็นเนื่องฝ่าเข้าสู่พระนิพพานป้ายเนี่ยเนี่พอเนี่ยถือมาเช่อยู่ที่ใจละชั่วพอละออกจากใจท่นดีก็ทําขึ้นที่ใจใช่ใจทําดีพอแล้วใจก็เข้าสู่พระนิพพานไปจะถ้าใจละชั่วพอแล้วใจเขา้ากเข้าสู่พระนิพพานอันเดียวกันเหตุ น, นั่นพระนหันท่านทําดีพอแล้ว เนื้อดีแล้วท่านก็จิงพ้นจากกิเลสไปสัถ้าดียังไม่พอก็ยังไม่พ้นจากกิเลสเพราะความหลงยังไม่ข้ามความปัญญายังไม่ข้ามความหลงของตนถ้าทำดีพอแล้วปัญญาเขาข้ามความหลงของตนก็เข้าสู่พระนิพพานไปสักพระหันชั่วกะละพรแล้ว ดีก็ทำพอแล้วก็เลยอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วพอเข้าสู่พระนพาลไปรักแต่พวกเราดีแต่ผู้เที่ยวพวกที่ท่องเที่ยวในวัาสงสารทำดีก็ยังไม่พอละชั่วก็ยังไม่พอจำเป็นก็ต้องเป็นข้าเป็นท่าเจ้าของอยู่ในวัฏสงสารใช่หนี่ตนเองอยู่เจียก่อเมื่อใช่หนี่ตนเองหมดก็ใช่หนี้พระพุทธศาส้า ห, หมดเหมือนกัน อ่านให้หมูฟังดูรู้อ่านให้ดูฟังหมูรู้อ่านดูออกเสียงเืียใจทาชั่วเขาไปหลวกย่อยอยู่เสียใจไ่นด้ไปบลวกี่เย็นฝ้าอากาศนอกจากใกเขามันมีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใกเขามันมีอะไดจะทำชั่วให้ใจใจเขานั้นมีทำดีให้ใจ ท, ทำคําสอนแปดหนึ่งคือพระธรรมคย่อนลงมาเป็นเอกในบาดมหา ใ, หใจ ถ้าย่นลงมาเป็นสองก็กายกับใจถ้าย่นลงมาเป็นสาก็กายรอใจใจถ้าย่นลงมาเป็นสี่ก็ทาตสี่ดน่านใจหุ่หรืออริยสัจสี่ถ้าย่นลงมาเป็นห้าก็รูปขันนายขันยปเวสาัญาสังฆาญาปถ้าย่นลงมาเป็นหก็ตาหุ่มจมูกเรื่องใจใจถ้าย่นลงมาเป็นเจ็ดก็อริยสัจเจ็ดหรือสัจจาวาสเจ็ดถ้าย่นลงมาเป็นแปดก็อัตถาที่กรรมะค้าแปดนิสมาธิปัญญาหรือไตที่สอา ย้อมาเป็นข้าวก็ักสี่ข้นสี่นี่พานเยขยายออกไปสิบก็อุษมกมาวดสิบและอัคตุษมกมาวดสิบจะยาวก็ยาวออกไปจากใจจะสั้นก็สั้นลงมาหาใจหน่วยที่น้อยน้อยพันหมื่นแสนก็ออกไปจากรักหน่วยถ้าย้นลงมาเขย้อนลงมาหาดักหน่วยถ้าถ้าทุกย้นลงมาหาเอกทุกถ้าเห็นทุกในปัจจุบันชักก็เห็นโลกขณะจิตหนึ่งแล้วเห็นอันหนึ่จังชักก็เห็นโลกรอบแล่ ขณะจ็ดหนึ่งนเพราะโลกจ็มปด้วยอนิจจังจะมาด้วยทุกขังจะมาด้วยอนัตตาได้ในโล้วนอนิจจังได้ในวนทุกขงังได้ในโวนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยถ้าเห็นทอดพัดกับกันทอดกำลองเข้าลงออกอยู่แ้ฉะ น, นี้จะไปสงสัยโลกเมื่อไปสงสัยโลกก็มายินดีล้ว่จิตใจก็เหน่ยร่างถึงพระนิาถูกไหมมีพูดยกากจร ย่อไปย่อลงมาหาใจอธิบายายาวไปยาวออกไปจากใจพูดแต่ละคำละคำก็ลวกไปลวกไปก็คืออนิจจังอนะเอียดใช่ไหมนุกขึ้น่ล้วจะเป็นพูดพูดอากมาก็เป็นอนิจนจังไปลวกไปลวกไปใครจะเป็นพูดพูดก็สําคัญและกองทุกข์เป็นพูดพระนิพานม็นมาพูดด้วยถูกไหมถ้าพูดถูกก็เป็นสมาทิฏิ ถ้าพูดแต่จิตก็เป็นมิจฉาเจติจิตใจเพราั้นน่ะมีคุณเป็นมหันต์ม่โทษเป็นอันถ้าทงถูกก็มีคุณเป็นมหันต์ส่งต่อพระญาติถ้าทาผิดก็บ่อยๆบวกกันเข้าก็ลงสู่แม้ถไม่บอไปนี่ก็จะให้ฟ้องอะไรดูรูดูรูดูรูๆดิมีเขียงว่ายาชาอะไรวะฮะตุลาการสื่อสารไม่เอาไม่ว่าเยอะๆไปนะ เอต่างหาว่ากติงตางๆทงเหนี่เป็นยูเื่อจะเพื่สู่เรียนเพื่อสังเกตการสังเาะไรก็ตามไม่เพยงับเกตว่าียียวอย่างเช่นพทุกโลกกายัตะ้งอาศัยสวนตัวใีสิ่งที่สายอย่ก็จะอายุวันที่สี่สัปดาห์นีสองนาฬิาเนเวลาหาโมสามอาวันโุกขังพระอย่างไม่ใชกพระพุทธศาสนาครับันทรงพระคุณข้ามังมีประมาณแล้วก็ทรงมอยู่ทุกาด้วยม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้เมื่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่ แลนนอโรอยู่ทุกยุทุกสมด้วยไมว่าเป็นอนีรพวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าที่มาในที่นี้พอดีที่มานามาในที่นี้พอดีต้องทดสอบจาความศึกความเจริญในมรรเทศศาสนาของระธจักรยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโยชอบทุกข่้นหน้าโดยดุลโดยไม่เหลือดุจเนี่ยอนี่เราปู่มีโรคหลายอ่างโรคหัวใจเออโรคโรคหัวใจเออหล้าก็โรคไข้เลือดเออ แม่ก็โลคโรคมาโตเอ๋ยแม่ก็โลคของทำดีเป็นนิ้อเอ๋ยแม่ก็โรคภูมิแพ้เอ๋ยโรคท้องผูกเอ๋ยโรคกระเพาะเอ๋ยหลวงปู่สมาทานไม่ผาไม่ตัดไม่ไปนอนในโรงพยาบไม่ไปนอนข้างเกินในโรงพยาบาลเพราะอะไรคากรนี้หลวงปู่สมาทานไม่ผาไม่ตัดทำไมหลวงปู่จึงสมาทานเพราะหลวงปู่รู้จากประมาณตน แต่๋ยวไม่ไปนอนค้างคืนในโรงพยาบาชวนผู้ก่ออาจารย์ท่านไปท่านไปทําประโยชน์ให้เขาท่านไปที่ไหนถ้าเขาทำประโยชน์ให้เขาที่นั่น่วนเราไปที่ไหนนี่มันก็หนักที่มันเราก็เลยสรมาฐานไม่ไปถูกไหมครูบอาจารย์ท่านไปที่ไหนท่านทําประโยชน์ให้เขาที่นั่นเราไปที่ไหนมันก็นักเท่นั้น มันเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระญาตรองทั้งหลา ย, าลายว่าแต่มันอยู่ใต้อู่ของอา น, นิจังเกิดแค่กาแฟผลและแต่สลายวัตถุนิยมที่หามาได้ในทางที่ชอบส่วนวัตุนิยมที่หามาได้ในทางที่มันชอบมันก็ยิ่งไปใหญ่ถ้ากรรมและผลของกรรมมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ค ด, ด, ดีดําคดีแดงในโรงในศารมันจะกระเสียณเปน เ, อ, เปนอ้าพวกที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบมันเจริญไหมมันก็เดือดร้อนท่า น, นชาใช่ไหมนั่งพวกที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบที่ชอบถึงเสียไปก็มีประโยชน์ใช่ไหมเช่นท่านผู้ที่ได้มาในทางที่ชอบท่านให้ทานรักษาท่านให้บริจาคทานมันก็ได้กําไรลอี ก, กด้วยถูกไม้มนั่ง เอ้าถระชาวโอกม่เสียหน้าบริบูรณ์ทหารไม่ไว้ทำไมตำรวจไม่ไห้ทำไมโรคเอสดมนมาจากไหนมันก็มาจากตามีสุนิชัยการใช่ไหมมันไม่มีขอบเขตใช่ไหมแน่นแน่นนั่นพระพุทธศาสนาตัดไฟต้นลมตัดลมจนไฟแล้วให้ยินดีในสามมและภรรยาของตนอันนี้มันไม่ยินดีนเสียแล้วโรคชี่ปาทูทะรถูกห พูดน่อยมม่พออธิบายพูดหลายมันหยาบใช่มั้ยไหมสมัยธรรมุทธะาอารหันต์กสทธิอรหันตสาวกาอารหันต์สาวิกาอรหันต์เรียกว่าอรหันต์สีจัมพวก หรือพุทธะสี่จำพวกสมาธิพุทธะับ พ, พ, พวกหนึ่งปัจเจกพุทธะับพวกหนึ่งสาวกาพุทธะับพวกหนึ่งสาวิตาพุทธะับพวกหนึ่งพุทโธบางต้นคือพศศระสวสดาบาลคือสาวโกโอพุทโธพุทโธบางท่ายคือพระอรหันต์คือสาวสาวกอรหันต์สาวิตาอรหันต์ บุญเบื้องต้นของพุทธศาสนาที่เป็นโลกุตระบุญคือบุญพระสัอดาวันสัตตะขาคารียานาคาร์มีเกนพระทหารนั่นอยู่เนื้อบุญเนี้อปากไปอแล้วบุญในทางโลกีเป็นบุญที่ไม่แน่นอนใครเรียนโมจุกพระทหารเรียนหน้าโมจุกหน้าโมทหารไม่ม า, กมาเกิดมาเกิดมาตายมาโรคมาโกรธมาหลวงใช่ไหม นโมบางต้นเขพระสดาบันไม่ใช่ได้อย่างร่วงแล้วว่าเส้นห้าไม่ใช่ได้อย่างร่วงแล้วว่อตาบานยมุบไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกพันไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตราอื่นนั่นนโมพระโสดาบันนโมแปลว่าน้อมน้อมเดี๋ยวพารหันเรียนนโมจบนโมบุตรชนพรรษก็เอานโมไปเล่นเลขด้วยนโมเลขนโมผานโมบัตฯนโมเบอร์อันนี้นโมนโม จะไปลงนรกอันนี้แกมหนันะโมม่นี่ไปลงนรกผู้เขนานะนโมไม่ถูกก็จะไปลงนรก <c ười> ถูก่ด้วย <c ười> พระาษาษารพุทธศาสนาสวอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วสอนสมบัติเต็มภูมิแล้วพรสมบัติเต็มภูมิแล้วนิพานสมบัติเต็มภูมิแล้วถ้าเวทอบายมุกตอมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสมบัต <c ười> ิเตม็มภูมิพรสมบัติเต็มภูมินิพานสมบัติเต็มภูมิ คัดคาวัตถุนิยมและอารมณกติไปในตัวด้วยเพระเขาจศขาดนะพูดน้อยไมออาจารย์พูดหลายคัดข้องกับโลกเอวังเอาล่ะไปตัสโมโผล่ัวสโมสัวสโมสรกผปฏิบัติเพื่อผลโชคในวัฏสงสารปัญหามามากเนอถ้าปฏิบัติเพื่อปัจจัยสี่กีวันในสมบัติแสงอาสนะและเทศสัปปัญหามันพอมาก เราทําให้มากทําไมจึงปัญหาไม่มากเพราะเขาเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มภูมิปัญหาก็ไม่มากการจะออกลิงออกลายหาสุขในวัฏสงสารมันไม่มีก็มีแต่กิตไปนอปไปเอน็นไปโอนไปในพระนิพพานปัญหากเพลอยสุกสุกไม่ใครหาความสุขในโลกเก่งพระนหันหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบ ไม่เห็นไม่ประเพณนั้นนะจินข้ามทะเลหลวงของเจ้าตัวไปซักถูกไหมทุกมในทศถัด ก, ก็มีอยู่สิยางทุกเกิดแต่ความเมตต์ทับทุกเกิดแต่การทับบรโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นถึงนทุกเกิดแต่ทํางานเพื่อความเป็นางโท ษ, ษ, ษ, ษ, ษถึงอย่างนั้นจะอยู่ใต้อานาจอันิจังใช่ไห่หรือก็แฟตัวกาแต่สไลด์ใช่ไมใช่ไหเดียน ่สามทีทีทีเน้่ยเราก็เทศบ่อยเขาก็ไม่ลุกสิคำคำว่าเขาไม่ได้พูดหยาบพูดแบบลูกห ล, ล, ลานบ <c oughs> ุ <c oughs> นก็ได้บุญพูดเสียง ห, หาบาก็ได้บาบมันข็ใครก็มันใช่ไหม <c oughs> เกาเนื้อตัวนใจราข้ากันผูพพม้มาก็ให้พอผู้ใดมาก็ให้พรตั ว, ว ท, าทางใจเราขัดเขาชอบจุกกันนกนกปูปีเขาก็ชอบสุกกันเหมือนกันพอเห็นเวลาเราไปมันไม่ไว่าใจมันก็บินหนีพอมันรักจีบเขาหนึ่มันชอบจุกมันจร็งแต่เาทำทุกทางผม ก, ก็ไม่ทกระโดดสองน้ำครับ้อห้าพุชโชไปที่ร้อนไปข้อห้าพุชโชไป มันจะมเป็นอันตรายแต่ใช้ทุกอนังตงเมื่อตงแพร่ไปปางว่ า, มาเมื่อของพระาาพร้อมุดอมุดก็จินตามสามุดมีมุดก็จินตามนีมุดไม่เอาไ ม, ไ ม, ไม่ควรเอาสมุดแยงมุดมาเป็นสงครามกัน สังขานก็จริงการสังขานพนิพพานก็จริงตามพระนิพพานอัคขารมรุ่นเพื่อจะเข้าสู่พริพพานก็จริงตามมรุผนนิพพานจะเอามาคัดค้านกันข้อในสูตรปีเดือนวันเดือนไม่ได้มาทำาีคำาั่วด้วยการที่จะทำดีทำชั่วก ก็คือจิตใจเ็นผูสร้สสางขึ้นกำไใงใครก่อคือพวกหนังสือนกเขียนขาเขียนก็จิตใจเ็ูก่อขึ้นถ้ามันมีทิเลศมันก็ไก่อขึ้นถ้าไม่เทก็ตอบก็ก่อขึ้นปุญญาที่สร้างขานคือบุญปุญญาที่สั้งขงนนางขงคนคือบาป อันที่พาพิสังขายก็คือสมาธิสมาบัติใครเป็นผู้ก่อขึ้นก็จติตใจจะเป็นท่านตาระผลก่อขึ้นก็คือกรรมและผลของกรรมก่อขึ้นกรรมและผลของกรรมเป็นช่วงก่อช่วงรับอยู่ในตัวกรรมสาระกิริยาที่ทําทําด้วยกายก็เรียกกายและกรรม ท ำ, ท, ำทำว่ายวัดวายวาชาเ็าเรียกว่าที่กำทำด้วยใจเขาเรกว่าไม่เหรร น, นื่อยกมีเป็นกำกลางถ้าไปในทางผิดเขาเรียกว่ารักผูส่วนกำถ้าไปในทางถูกเขเรียกว่าผู้ส่วนกำกำในทางพระพุทธศาสนากำในทางฝ่ายโลกุตระไม่เอาุกุศะปโนกม ไปจนถึงอนณาคานิกรรมส่วนพระธาตุกรม ร, กรมพรหัสตุขผนไม่จัดวเป็นกรรมผลของพระธาตุกรรมจัดเป็นผลขาดตอนแล้วไม่ได้เชื่อมโงยงไปจากอีกส่วนกรรมํำกว่าพระพุทธาภรณะเป็นโลกิยกรรมไม่สีรังยังอยู่ จะรุดหน้าหรือจะถอยหลังหรือจะแหวะใช้เลือขวามันก็ลายบางส่วนกุศลกรรมของพระสุดาบันเป็นกุศลกกรรมที่ก้าวหน้าจะไปสู่สัพะาอนาคาอรหันต์อรรหันต์ไม่จัดเป็นกันเป็นผลขาด่อนพระพุทธศาสานา เป็นธรรมชันว่บ้งต้นของชาวโลกเป็นศาสนาที่สั่งสอนและอบรงร่ว่าไม่มีรัฐใดๆจะสำเหมือนได้ข้อนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละรายของบุคคลไม่เป็นหน้าที่คนหูหนาตาเถือน ก็จะให้คะแนนพระพุทธศาสนาคําว่าสันติทิโกในทางพระพุทธศาสนาก็คงหมายเอาพระสวัดาวันเป็นต้นไปสันติทิโกของพระสวัดาวันเห็นเองสันติเจโกแปลว่าเห็นเองเห็นมีหลักมีฐานเห็นความก้าวหน้าและเห็นทางปัญญาและสติของตนและรู้จักประมาณของตนด้วยตนทํางานถึงขนาดไหนก็รู้จัก ไม่สูนเดาไม่รังเลยจนข้ามโลคีมาแล้วก็รู้จักสันติเทโกของพระสวดานสันติเทโกของสักกะตาคันสันติเทโกของอนาคันสันติเทโกของพระสารสันติเทโกจบแล้วจบในภูมิของสาวกสันติเทโกของพระปัจเจ S.> สั้นท oh ิศิโกของพระสมาสัมพุทธเจ้าจะเอาภูมิสาวกมาเทียบไม่ได้จะเอาภูมิของพระพุทธเจดไปเทียบก็ไม่ได้ปัจจุบันของพระโสดาวันปัจจุบันของสกขาคัมปัจจุบันของอนาคามปัจจุบันของพระรหานปัจจุบันของพระปุทธเจดปัจจุบันของพระสมาสัมพุทธเจ้าจะเอาไปเทียบกันไม่ได้ นะโมของปัสสาวะบาล น, นโมแปลว่านอบน้อมนะโมสกทาคามนะโมพะอานาคามีนโมพระอาาาระหันต์เรียกว่าสาวกโกนะโมสาวิกาณโมเรียนจบแล้วพระอรหันต์สี่จำพวกชุกเขมรสาวกโกเตวิโชสารพิณโภติสัมพิทัพปโตท่านเหล่านี้แต่ชานในธรรมะ่างกัน ตามวงของท่านแต่ด้าสิเลสต้นไปจากกิเลสจัมพงเสมือกันหมดชวนแต่ช้านี่อาจได้ทำไม่ยื่งย่อนกว่ากันเป็นลําดับตามเสถีิรกาลังของท่านที่พระอรหันต์ที่นี่ พ, นนพุทธสี่จัมพุ่งยังมีอีกมาธิพุทธจัมพุ่หนึ่งปัจเจกับพุทธจัมพุ่หนึ่ง สาวกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งนี่ไม้จำพวกประหารนี่คือไม้จำพวกเป็นเอกเทศพุทธะเอกเทศสดาวันพุทธะสกทาคามีพุทธะอนาคามีพุทธะสาวกโกพุทโธจะรู้สักเพียงไหนก็เรียกว่าสาวกโกพุทโธหรือสาวิกาพุทธะจะเรียกว่าเจกพุทโธหรือจะเรียกว่าสมามพุทโธมันก็ไม่ถูก เพระไม่สูนขาลันตอนสักดทีนี้ทําแต่ละบ า, บาทของพระพุทธศาสนาส่งต่อพระนิพพานหมดทำให้จริงว่าอย่างนั้นเหตุที่ว่าอย่างนั้นเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาภูเพจยจักตะปุญญาตามาเป็นเครื่องพิสูจน์คือได้สร้างความดีไว้ในฟางก่อนคือนิสยะปัจจยูนิสัยที่จะสร้างความดีไว้ในฟางก่อน ปเาาุเรชาตปัจโยนั่นเองปุเรชาได้สร้างความดีมาในฟางก่อนไม่เสมอกันบางท่านกา็บางเหตุได้จึงว่าอย่างนั้นเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาดอกบัวสีเหลวมาเป็นเครื่องพิสูจน์ดอกบัวสีเหลวมีในขัง้งพุทธการหรือไม่หรือหากว่าขั้งนี้ก็มีอยู่ข้อ น, นี้เป็นข้อที่ควรพิจารณา ไม่ควรปฏิเสธมรรคผลานของพระสมณาพระพุทธเจ้าดอกบานก็บานเต็มุ่มเหมือนท่านทุกคนไปแล้วดอกตูมก็มีหลายระดับตูมจะบานในวันต่อต่อไปก็คือพร ะ, ะสกทาพปะอนาคามตูมในวันต่อต่อไปอีกก็คือตูมจะไปจะบาน ก็ค่ะค่ะครับอาณาคัร์ตูมจะบานในวันต่อต่อไปก็ค่ะค่ะคับพระสกทาคารตูมในวันต่อต่อไปอีกจะ บ, บานก็คือพระโสดาบันทีนี้ดอกเสมัอน้ำก็ค่้ายๆกับว่าถือพระพุทธศาสนาบ้างถือนักที่อื่นมาบนไปบ้างยังอยู่ใน ห, หัวต่อ กับโลกีและโลกุตระยังไม่ถึงโลกุตระพระสดารันถึงโลกุตระเต็มภูมิเดินก้าวหน้าไม่ถอยหลังเมื่อเลี้ยวซ้ายและขวา ด, ด้วยภูมิของพรัสดาบันมีอะไรบ้างตา่อตามอัตโนมัติของตนว่าหนึ่งไม่ใช่ได้อยากรวงละเมิดเสียนห้าสองไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันสองไม่ใช่ได้อยากรวงละเมิดอบัยมุก ทุกประเภทหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตราอื่นพระถือพุทธธรรมสง์เต็มภูมิเหมือนดังโมกขราสารีบรที่มาเรื่มใสพระอัจฉชิไม่ได้ถือศาสตราอื่นมาคนเปยสองไม่ใช่ได้อยากลองละเมิดเขียนห้าและมีความเห็นในอันนี้ังชัดในใจโรกธาตุเมื่อเห็น อันนี้กลงชัดแล้วก็มีหลักปฏิบัติธรรมะความยินดีในโลกธาตุก็คายออกเสียแล้วเพราะได้น ใ, นในโลกล้วนเห็นอันนี้กลงชัดแล้วเห็นทุกขรังชัดแล้ ว, เ ห, ลวเห็นอนัตตาชัดแล้วแต่ยังไม่จบสิน้นเหมือนฝันฝันแต่มีหลักแล้วแล้วก็ไม่เสียดายจะลองละเมิดอวัยวะมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดี ไม่เสียดายยา้ะค้าขายเครื่องประหาค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นยาสัตว์ที่ตัวฆ่าพยาธาค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ถ้าโสดาบันไม่เสียดายอยากนอนมากเลยจะเดินจงกรมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำกอดตามจะบวชจีลรานพรรษากอดตามถ้ายังเสียดายอยากจะถือสาสดาอื่นอยู่ เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกรันก็ดีเสียดายอยากจะล่วงระเมิดเสียหายก็ดีก็ยังไม่ถึงพระโหลกสัพราะยังปิดอบายจภูมิไม่ได้พระโหลกสวมบันปิดอบายจะภูมิทั้งสีได้ไแล้วสกิด้ฉานปิดอสุรกายสัตวนรกตลอดถึงมนุษย์ชั้นกต่ำยามากก็เกิดอีกยศชาติอธรรมมาที่ยันติ มีดำปีตั้งเครัตนังปณิสังมีเทนสัสเจริยวัวัชิวตุสูตรอันนี้เป็นสูตรพระโ ส, สดาบันในรศนะสูตรไม่เอาทฐานโทษอย่างหนักหกมาตัวค่าค่ามัรดาไม่มีปีตุค่าค่ามีลาไม่มีอรหันตฆ่าฆ่าพระรหันตลวงาุทธตัวตัวบาต ท, ทํางานพระพุทธเจ้าถึงยังบวโรนเทั่งห้องเปนไปก็ไม่มีอัญนชนัตตวเทศ ทาพงงระพุทธเจสองข้แต่จากกันก็มีทั้งอัญญชุติเทศไม่ถือศาสนาอื่นเรียกว่านอนันตริยกรรมหกไม่มีในสุภเจปันโนไม่ยอมถือศาสนาอื่นเลยทําไมจึงไม่ยอมถือศาสนาอื่นมีความเห็นยังไงมีความเห็นดิ่งว่าสักกายะจิติไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสานาะวิจิจิสากรณ์ลเลงสงสัยในพระพุทธศาสานาะ พีระพัตตปรามาต์ก็ไม่รูปคำพระพุทธศาสนาเรียกอะไม่รูปคําในพระพุทธศาสนาก็คือไม่รูปคําในความปฏิบัติของตนนั่นเองไม่ถือตนถือตัวต่อพระพุทธศาสนาเองวิจิตรศาก็คือจิตใจไม่รังเลยนะพุทธศาสนาทำไงจะไม่รังเลยพระเห็นซักว่าคาสอนใรในไตรโลกะเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดหมดเห็นทิศจะไม่กีรล่างก็เป็นเมืองขึ้นของทิดเหนือหมด น้าให้น้องขอมือบางต่า ง, างๆารไร้ลงสู่ทะเลมหาส ม, มุทรทะเลคนใดคําสอนใดๆพอไร้ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาถึงแมตัวตั น, นั้ น, นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นถูกับผูุ้รู้และแม่รูปไมขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและพระเชื่อเพราะเห็นยังไงจะเห็นอย่างนั้นเห็นว่าพระพุทธศาส น, นานี่เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วพัฒนามนุษย์สมบัติเต็มภูมิพัฒนาอุดมคติและวัตถุนิยมไปในตัวแล้วลายมุขทุกประเภท เป็นวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวแล้วเป็นมนุษย์สมบัติไปในตัวเป็นพรมสมเป็นสวรรคสมบัติไปในตัวเป็นนิพพานสมบัติไปในตัวเป็นพรมสมบัติไปในตัวเป็นนิพพานสมบัติไปในตัวแล้วไม่สงสัยเลยคําสอนในพุทธศาสนาะว่าจะบกพร่องอันใดสัทขังสัพ ย, ยนนาพาันชนะเวาป ร, ร, ริงพุทธังพุทังพุทธังทังุทังพุทธังพุทธังพุทธังพุทธังิุทธังพุทังงอังพังทังงพยังชนะบริบูรณ์แล้วธัทธัทธังุทธังพุทธังพัง เป็นผู้สอนของเทวดานมรษกทางวัเต็มคุมแล้วไม่มีรัติใดๆเลยจะมาตีเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาเรียกไว้ได้ดวงตาเห็นธรรมผู้ดใดเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะํำคันตนมาเป็นพระโสดาบันสักเพียงไรก็ตามมันก็เป็นพระโสดนโสดาัโสาดาคันเถูกไหม ดันเอาแต่ทุรังเอาแต่คําความเห็นของตนเรียกอัตตาเทวปไตยพราะพุทธศาสนาเป็นธรรมาเทวปไตยไม่ใช่โลกาเทวปไตยไม่ใช่ประชาเทวปไตยไม่ใช่อัตตาเทวปไตยเป็นธรรมาเทวปฏายล้วนเหตุนั้นพระพุทธศาสน์พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาจึงมาเทศนาคําสอนอันเดียวกันหมดไม่ได้รั่วระรบพอรบกันเลยพระพุทธเจ้าจะมาที่ ล่านๆพระองค์ก็ตามระามาเทศทรมาจากกับวัตนาสูตรก่อนเพื่อนใช่ไหมเป็นนิยานี่กระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกเป็นทมวันเถาราคะโทสัโมหะพระสวัดวันละราคะโทสัโมหะอย่างหยาบคาดกระเด็นเลยพร ะ, ระาคาถาคำนี้อยากไปก่อนนะ พระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่นัพระทหารขาดเลยพระทหารเรียนนโมจบนโมพระทหารไม่มาตื่แก่เก็บตายอีกน้องๆไม่มาลกุกมาโกรธมาหลงเลยทำแต่ละวัฏวัฏสงต่อพระที่านมดนั่นขึ้นอยู่กับมัญญาและสติของแต่ละท่านจร่ละบคุคคลเช่นพระพาหิยะรกกรให้พระรัมคบรมศาสาาาเทศสนะให้ฟัง เออเราเดินกำลังวิยนธบาดอยู่ไม่เป็นฐานันดนสักที่จะมาเทศแทรกเธอฟังเพราะพระราศาสตราชินลมฟานเย๋อนเนี่ยก็ได้พระเจา้าค่ากับผมชินลงฟานย้อนเนี่ยก็ได้พระเจ้าข้าไอ้ที่แท้เพราะพระร า, ษษษษษษษรามศาสตรารู่ดีแล้วแต่พูดไปตามแถวของมันเฉยถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังเนอะครับเป็นแต่ศักว่ารู้เป็นแต่ศักดิว่าเห็นเออ ครับพอแล้วเอาพระหารไปกินแล้วแตกฉาในยปฏิสวิช า, วสาสีอีกด้วยนักนะนะเพราะเหตุอะพระเห ต, เหตุเคยได้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมาแต่ชาติเจ้ากษัตริย์แล้วผักบันไดทิ้งท่านมหาลูดีพูดให้ท่านมหาโมโหเพราะเขาเป็นผู้เรียนเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนก็พูดให้เขาโมโห ถูกไหมโมโหไหมผู้ใดท่านมาหาโมโหกะเห็นได้จึงว่าอย่างนั้นพระเทศอนัตตาทำรรเป็ น, นักวรรุษเป็ น, นัศวรรเห็นไม่สำคัญว่าผู้ผรู้ผู้เห็นเป็นตนตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นแต่ก็เจอเลยเรียกว่าอธิบายความย่อให้พิจารณาหรือ ความพิจารณ์ย่อลงมาเพราะแปดสารแนงปฏิสัออมพัทสี่ก็คืออธิบายความย่อให้พิจารณาก็คืออธิบายความพิจารณ์มาให้ย่อนั่นเองครกไตชี้ขาอยู่ในตัวอา้าวพระธรรมเทศนาทําไมจึงไม่มีปาราที่ 4? สี่สังขารที่เศษที่สามอันยศสองนิกาย 30, ปาราจิตีสามสิบปาราจิตีข้าวสิบสองปารเซสเนียสสี่ เสียชีวะเจ็ดทิศห้าอธิกรณะสมถะมีเกจและเครื่องและงบอธิกรณ์ทำไมจึงไม่มีก็เพราะปะทมเทศนาไม่มีผู้ทําผิดไม่มีผู้ทำผิดที่จะธรรมเทศนาปทุมเทศนาเนี่ยมันครบไตสิกขาอยู่ในตัวแล้วมันครบลูกขันนามขันอยู่ในตัวแล้วความเกิดแก่เจ็บตายยกมาก ชาติคลคงเกิดคลองเก็บคล อ, อ, องตามันเป็นรูปขันอยู่ในตัวแล้วความปัถนาไม่ได้สมหวังความพัฒนาจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจจริ่งเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นนามขันอิงกิเลสอยู่ในตัวแล้วครบรูปขันนามขันแล้วที่อัตังคีโกมะโครหร้อยักดังสมาทิฏฐิสัมมาสังกปวาจารสำตัวชีววยโมงสถิตสมาธิมันก็เป็นไตรสิกขาอยู่ในตัวแล้ว มันว่าแปดก็เป็นไตรซีข่าอยู่ในตัวแล้วเป็นมันก็เป็นแปดหมื่นสี่พันเขทำอักขันอยู่ในตัวแล้วถึงยังทำไม่พอก็ดีถึงยังจะไม่อธิบายขยายออกก็ดีมันครบอยู่ในตัวแล้วทาแต่ละวัตรบาทถ้าขยายออกมันก็ครบไตซกข่าอยู่ในตัวแล้วณโมตัวเดียก็คบไตซกขาเหมือนกันเห็นงั้น จริงไม่ควรดูเหมิ่นพระพุทธศาสนาเอ้าเจอนี่การปกครองโลกพระพุทธศาสนาก็ยืนยันแล้วทำเป็นโรคตะบานคุ้มครองโรคสองอย่างเนอความละอาตวบาความกลัวตวบาเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าโลกมันมีอย่างอาตม่มีความกลัวตวบาแล้วก็หมายกเหนือก็ฟักก็พวกก็ตั้งไม่อยู่อูขวัญคำไม่นําคําหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัย ทำความชั่วไม่ได้ก็ไปทําในที่แก้ทําความชั่วในเชืรับไม่ได้ก็ไปทําในที่แจ้มันไม่ในไม่ไปทําในแจ้งหรือมันไม่ทําในเชืรับเลยมันทำํำในที่แจ้งอีกเสียด้วยนั่น ท, ทีนี้ถ้าล่วงตัวนี้แล้วมันก็ไปล่วงสินห้าใช่ไหม ส, สินห้าเป็นสินเขาพระโสดาวันถ้า Audience, ไม่ให้ขาดไม่ทิ้นไม่ใช่อาจอย่างล่วงและเมิดสินห้าสินได้ไม่เชื่อจอย่างล่วงละเมิดมันก็ไม่หนักใจแค่ค่ายกับเราไม่เชื่อใจอย่าง ไปลงรุยหลุมฐานเครงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายอยากลงไปรุยหลุมมดลงพู ด, ม, ดมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจพระสวัสดิบาศีลรักษาท่านไม่ใช่ท่านรักษาศีลถ้าท่านรักษาศีลก็เรียกว่าโคปาและศีลท่านไม่เสียดายอยากลงแล้วเมือ่อก่อนศีลก็รักษาท่านสิอริยะกันตังสร้างสีตังอริยะกันตศีลสร้างเทปัสสติ ก็หมายถึงศีลปสุตดาวันอริยกันศินทีนี้ถ้ามันไม่ละอายต่อบับไม่กลัวตบับแล้วมันก็ไปร่วงแล้วเมื่อชิ้นห้าใช่ไหมถ้าชาวโลกนับแต่รู้เรียงสามามีชิ้นห้าบอรลบูลเว้นไว้แต่บ้าไม่เสียจะยึดกิดมนุษย์ทีนี้โลกจะสงบสักเพียงอย่างนี้ทีนี้ถ้าไม่โล ก, กรวานพุ้มครองโลก ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดวันมาโนพระพุทธมรรคศาสตรามันจะสอนอย่างนั้นความละอายตบาะความกลัวตบาะเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้คนไหมายคนหมู่จะยันไปกี่ลานล้านมาตาก็าตามถ้าไม่มียังอายตบาะไม่มีความกลัวตะบะมันก็ไปล่วงอยู่ไม่มีกลางวานันกลางคืนอีพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยเป็นคำภาษ า, ษาภาษาอีสานอีพ่ออีแม่เข้าใจไหมน่นทีนี้ถ้าหากว่าชาวโลกของเรามีเสียงห่าบริบูรณ ทหารก็ไม่ต้องไมีตำรวจก็ไม่ต้องไมีตู้ตรูก็ไม่ต้องมีขายขอก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องเวียนยามก็ไม่ต้องมคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีวัดหมายก็ไม่ต้องตั้งว่าขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเชื่อต้องเือบอกว่าอันนี้ราคาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอะไรทับไว้เขามาซื้อเขาเอาอะไรทับไว้เขาเกลงลมจะพัดหนี สมมตรมาที่นี่เงินพัดตกล้านบาทก็ดีหรือหมื่นก็ดีหรือร้อยหรือเท่าไหร่ก็ดีใครเก็บได้ก็อยู่บ้านเพ้่ออ่บ้านคำนั่นเดือนจําก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนกไ็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวนหรือรอบข้างเวรธรรมนีเวรธรรมนีเว้นแล้วเวนอันนี้คือปาณอาทิบาปปาณอาทิปตาคงเป็นข้อห้ามเวรธรรมนีคือเว้นแล้วเวนอันนี้ทีขคาประทังสมาธิยามนี้ ก็คงเป็นชิคาบุหนึ่งหนึ่งพูดให้ท่านมหาโมโหอีตาพ่ว่าพูดไปทั่วพูดใส่หน้าใส่ตาเราเราเรียนมหาข้าประโยคไม่เก่งเราเลยถ้ามันผิดก็พูดมาท่านมหาเรารับฟังทางนั้นซูซิกิโต เราไม่ลังเกียดผู้ศึกษาดีแล้วทีนี้โรคเอสดมาจากไหนมาจากกาเมีสุพัชฌาจารย์ใช่ไหมเพราะมันไม่มีขอบเขตใช่ไหมถูกไหมมันไม่มีขอบเขตถ้ามีชิ้นห้ามันก็มีขอบเขตใช่ไหมพระโสดาบันไม่เสียดายจากเร่องละเมิดสามีของตน ไม่ใช่ดาอยากร่วงละเมิดพรรยาของตนอีกเหมือนกันต่างคนต่างเป็นพระสวสดา์บันก็มีขอบเขตอันนี้มันไม่มีขอบเขตก็เพราะเหตุอะไรจะให้พูดไหมยกมือขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าสัมผัสปรา จ, จะพูดสัมผัสปราปะพูดเพ้อเจอ้อพระุษาวาจาพูดคำหยาบเดี๋ยวจะหาว่าหลวงปู่เป็นอยังงั้นยกมือให้พูดไหมน่ายอ๋อ ถ้าอย่างนั้นแ ร, รับปฏิญญาแล้วหลวงปู่จะพูดเช่นไรถ้าหากว่ามีเส้นหาบริบูรณ์แล้วก็มีขอบเขตใช่ไหมไม่ใช่ได้อยากร้องล้วเมิดเสี้ยห่าที่ไม่เสียได้ที่เสียด้อยากร่องละเมิดเสี้ยห่าอยู่นี่ก็พระกิเลสมันไม่เบาบางใช่ไหมราคะไม่เบาบางโทสะก็ไม่เบาบางพระสวัสดิบาลเบาบางพอแล้วอย่งยางกับยา ขาดไปแล้วราคะโทสะโมหะของท่านโมหะของท่านท่านไม่หลงถือศาสตราอื่นเรียกว่าท่านระงับโมหะอันละเอียดเลยแล้วหัวของกูกูอยากได้สักร้อยคนใช่ไหมเมียมของกูกูก็อยากได้สักร้อยคนใช่ไหมกูไม่พอเลยใช่ไหมเหตุนั้นโรคเอิดจึงมีใช่ไหมถูกไหมก็ไม่หมายความว่าหมดทุกท่าน เป็นบางคนใช่ไหมไม่หด้หมาว่าเป็นหมดทุกคน น, นีเพราะมันไม่มีเสียงห้านั่นเองโยกกัะตอทางค่าสัตว์สอบได้สอบได้เอกทางรักทับก็มีเป็นวางจำพวกข้าก็เป็นวางจำพวกมีไม่อยู่แต่ับเดียวกันหรอก ว่าคนเขาไม่ฆ่าศัตรูตหรอกฆ่าเปดฆ่าไก่แล็กๆน้อยเนี่ยแต่ว่ามันขาดภูมิปัทวดาวันเดืมชูรามีอะไรอาอชินทั้งห้าข้อออมันมารวมข้อต้นอยู่ในตัวเนอะมันรักเกินไป ช่วยไม่ไหวก็ต้องเอามาค่ารวมข้อต้นรวมรวมขอปนานาธิบาณการเามษุวิทยจารมันล่วงแล้วเมื่อเกินไปมารวมข้อต้นรวมฝากค่ามุสาต้ น, น ต, นนตุนเขาเกินไปมากหลายคดีมากแล้วเอาไปค่าซะมารวมข้อต้น ชุราโกหกพวกชุราเดือมชุรามีน้ํำซ้าพวกเขาฆ่ากันเองกูให้กูพูดเสียก่อนเมามาแล้วมึงอย่าเพิ่งพูดกูพูดดีกว่ามึงลุกขึ้นฆ่ากันเลยอย่าวนั้นก็องมารวมฆ่าต้นผู้ฆ่าปลาได้ก็สามารถฆ่าเป็ดฆ่าไส่ได้ถ้าฆ่าเป็นฆ่าไส่ได้ก็สามารถฆ่าชุกรหรือสุนัขได้หรือโคหรือกระบือ หรือมนุษย์หรือมนุษย์ทู้เมีคุณหรือเวดามันดานั่นทำอะไรขึ้นคำสอนพุทธศาสนาะดีแล้วแต่ชาวโลกขี้โอใช่ไหมหชาวโลกขี้โอการวางบทกฎหมายคดีอะไรไม่มองดูคำสอนพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดอีพ่ออีแม่เอ๋ยอที่ว่า เมื่อให้พระพุทธศาสตร์เมื่อให้พระพุทโธสงฆเป็นการบ้านการเมืองเราก็ไม่ลงพระสงฆ์ก็ไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปผ่อนสอนผีตัวไหนอนุตรังคุญยักเขตตังโลกัสสาติเป็นนาบุญของโลกจะเอาอะไรมาเป็นนาบุญของโลกทํำไมสอนถ้าไม่เป็นตัวอย่างของโลกฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่ารักทัพก็ไม่ได้ทําำพุทธกิจกรรมก็ไม่ได้ทำส่วนผู้ทําผิดก็เป็นเรื่องแต่ละรายขอ้อมคลก็ไม่ได้หมายความว่าหมดทุกคน ถ้าหากว่าใครก็ทําชั่วมัทุกคนคนดีก็สืบรารถนาไปไม่ได้ทางไหนฟังนั้นกันถูกว่าได้คดีดําคดีแด ง, งในโรงในศาลมันจบเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมจบเกษียณใหม่เป็นเลย อ, ออีกเพราะนี่เ่เออให้ผลในพวกนี้และพบหน้าอะไรอย่างยิ่งคือพระนิพพานเอกวันกันกรรมและผลของกรรมไม่นิยมชั่นวันลนะใดๆเลย เธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาตามเธออยู่ทุกเอเรียบทของจิตใจเออส่วนจะให้ผลเร็วหรือช้ามันก็เป็นหน้าที่กรรมและผลของกรรมไม่เป็นหน้าที่ผู้อื่นจะเป็นนายหน้าของกรรมและผลของกรรมนั่น น, นันนันถูกไหมเราเห็นเราแล้ว